สิ่งที่เราแก้เราถอดถอนที่เราพยายามเรียกว่าความเพียรดูเวลานี้เป็นสิ่งที่สังอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกมานานแสนานานนับไม่ถว้วนในภบชาติหนึ่งของแต่ละบุคคลและสัตว์ตัว น, นั้นไม่มีอนใรยืดยาวยิ่งกว่าภพชาติที่ต่อเนื่องกันมาโดยลาดับ เพราะอำนาจแห่งเชื้อกีบฝังพืชไว้ภายในใจพอฝังพืชไว้แล้วก็ออกมาเป็นตัวผลคือชาติแล้วก็ปีตุขาเลยล่ะทีนี้ทีนี้ถ้าไม่มีผู้ฉลาดแสลมคมมาแนะนำสั่งสอนอุบายวิธีและชี้บอกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยต่อ สัตว์โลกอย่างใดนั้นจะไม่มีใครทราบได้เลยเพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดมากในใรพบคือธรรมชาตินี้ละเอียดที่สุดมีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เท่านั้นที่พยายามขุดคน้นบุกเบิกมาโดยลำดับลำดาและได้กลับจะรู้ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆ คำว่าปรัตจรู้ก็คือรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้การพยายามประกอบบำเพ็ญบารมีหรือประกอบความเพียรทุกประโยคก็เพื่อจะแก้จะถอดถอนสิ่งนี้แต่ยังไม่ชัดเจนตอนเมื่อได้เข้าบำเพ็ญยวนถึงวาระที่จะผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้และได้ผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปแล้วโดยสมบูรณ์เรียกว่า บริสุทธิ์เต็มที่เพราะหมดจากสิ่งเหล่านี้แล้วนั้นจึงสามารถรู้ได้อย่างชัดเจนและทรงบัรดัตตั้งชื่อตั้งนามสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นคือกิเลสมีเป็นเรื่องใหญ่และแยกประเภทออกจึงเป็นลากเงาเข้อมูลจริงๆิงคือจริงคืออะไรนะความโลภความโกรธ ความหลงความหลงแสดงตัวออกมาจากอาวิชชาความอวิชชาจริงๆแล้วไม่ได้หลงตัวเองแต่ทําจัดโลกให้หลุมหลงได้เพราะอาวิชชานี่ท่านในชื่อว่ากิเลสคําว่ากิเลสนี้ไม่มีที่ที่อยู่นอกจากจิตของสัตว์โลกเท่านั้นอยู่กับจิตสังอยู่ภายในจิตอย่างแนบสนิท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 ทงฝึกฝนอบรมพระองค์ทรมานจนถึงขั้นสรบสลายก็เพื่อจะแก้หรือปราบปราณสิ่งเหล่านี้ที่เป็นไพยให้ออกจากพระไทยแต่ก็ไม่สามารถเพราะไม่ถูกวิธีจนได้ย้อนกลับเข้ามาสู่อนาปานสติอันเป็นวิธีที่ถูกต้องพร้อมทั้งสมถะและวิปั จ, จนาตลอดวิปั จ, จนาญยายรวมอยู่ในขั้นนี้ทั้งหมดเพราะคาว่า อนาปานัตินี้มีทั้งขั้นสมถะมีทั้งขั้นนิปัสนาและนิปัสนาอย่างละเอียดโดยอาศัยอนาปานัติเป็นรากฐานแห่งสมถะก่อนอเมื่อละเอียดเข้าไปจิตใจก็ซึมซาบออกไปเป็นปัญญาพิจารณาจนกลายเป็นนิปัตนาอยา่างอันจอนได้ว่า กำหนดลมหายใจเข้าออกคือการกำหนดลมเข้าออกในเบื้องต้นก็ทราบเพียงลมเข้าลมออกเท่านั้นต่อไปเมื่อกำหนดรู้อยู่ด้วยสติลมเข้าลมออกก็ค่อยแผ่เ บ, เบาลงไปแผ่เบาลงไปถึงขั้นละเอียดพอถึงขั้นละเอียดแล้วจิตสงบงนั่นความสงบนี้เป็นมารฐานแห่งวิปัสสนา องค์ก็ทรงถือเอาความสงบนี้เป็นมาฐานหรือเป็นต้นทุนเป็นที่ก้าวขึ้นสู่ความแยบคายจึงเคลื่อนไหวทางกิจยาของจิตได้แก่พระปัญญาพิจารณาถึงเรื่องปัจจัยการอวิชช า, า, า, า, า, า, าปัจจัยสั้งข้ารสังข้ารปัจจัยวิญญาณ น, นี่เข้าสู่กระแสของจิตแล้วทนี้โดยประสัดประสานกันกันกนกบส่วนร่างกายเพราะออกจากร่างกายแล้วก็ ซึ่งเป็นอนาภาระทีเป็นส่วนละเอียดก็พิจารณาถึงเรื่องความเคลื่อนไหวของจิตที่แสดงมาเป็นสังขารชุมทราบออกมาเป็นสัญญาตลอดถึงยัดออกเป็นวิญญาณอะไรหลังนี้ถอยหน้าถอยหลังหลายครั้งหลายหนด้วยความสนพระทยัยอยากทราบความจริงที่มีอยู่นั่น กำลังแสดงความจริงอยู่ตามหลักธรรมช า, าติของตนปัญญาย่อมทรงทราบได้เป็นลำดับลาดับจนสามารถแทงทะลุปุปโภไปหมดที่เรียกว่ายิปชนาเื่อ น, น, นย้ายจากฐานแห่งสมาธิคือความสงบแล้วก็แปลสภาพสู่วิปัสนายานคือความละเอียดแห่งปัญญาจึงกลายเป็นนิปัจนายานอย่างทราบสามารถ ทำลายกิเลสอาวะซึ่งเคยหมักหมมหรือเคยฝังอยู่ภายในพระไทยของพระอง์มาเป็นเวลานานให้แตกกระจายในขณะนั้นเช่นเดียวกับความมืดซึ่งเคยมีมาตั้งกับตั้งกันก็ตามแต่พอเปิดไฟฟ้าขึ้นเท่านั้นความมืดนั้นไม่ไดมีที่อ้างไม่มีที่ยืนยันไม่มีที่แข่งข้อได้ว่าข้าพระเจ้าได้เคยมืดดำอยู่กับโลกอันนี้มาเป็นเวลานานแล้ว แม้จะเปิดไยขึ้นมาเข้าไปเจ้าไม่ยอมจากความมืดไม่ยอมกลายจากความมืดไปเป็นความสว่างพอไฟเปิดขึ้นเท่านั้นความมืดทั้งหลายก็กระจายตัวไปทันทีมีแต่ความสว่างขึ้นในขณะเดียวกันนี่เมื่อปัญญาได้อย่างทราบรอบจิตทุกด้านไม่มีมุมใดที่เหลืออยู่เลยแล้วความสว่างจ้า อีกที่บริสุทธิ์ก็แสดงขึ้นมาเป็นที่นั <c oughs> ่นเรียกว่าท่านตรัสรู้และสิ่งที่เคยสังจมมาให้้าให้เป็นพืชความเกิดแก่เก็บตายมานานแสนนานก็ได้ทางทลายลงแล้วด้วยอิปัจชนาญายที่อย่างทราบละเอียดัวถึงสลัดปัดทิ้งไปหมดด้วยพระปัญญาจึงได้ทรงนำธรรมนี้ออกมาแยกประเภททั้งกิเลส ประเภทนั้นๆทั้งทำเครื่องกําจัดกิเลสประเภทนั้นๆจะควรทําอย่างไรต่ออย่างไรกันยังมีวิธีการมากมายตามแต่จริตนิสัยของนักปฏิบัติหรือพุทธบุตรสัตทั้งหลายจะชอบในวิธีการใดบรรดาวิธีการทั้งหลายที่ทรงแสดงไว้แล้วนั้นแล้วนํามาคิดปฏิบัติเช่นกรรมฐานสี่สิบเป็นต้น ยกออกมาแยกออกมาเป็นอาการอาการซึ่งร่นแล้วตั้งแต่เป็นวิธีการที่จะทำจิตให้สงบและก้าวเข้าสู่นิพพานาจงกระทั่งถึงความดุพ้นได้เช่นเดียวกันมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นและมีวิชาธรรมนี้เท่านั้นที่สามารถทำลายสิ่งที่ลึกลับสังเัียนในจิตให้เกิดเป็นพืชเป็นผล สืบเนื่องกันเป็นความทุกข์เหมือนลูกโซ่มาโดยลาดับนี้ขาดกระจายออกไปจากใจมีวิชาธรรมเท่านั้นไม่มีวิชาใดในโลกนี้จะสามารถทำลายสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากวิชาธรรมในวิชาธรรมทั้งหลายท่านก็สรุปความเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติด้นเข้ามาว่าสีงสมาธิปัญญา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 โดยทางสมถะจะเป็นวิธีใดบทใดบาทใดแห่งธรรมที่นามากำกับใจเพื่อความเป็นสมถะก็ต่างจิตย่อมมีความสงบตัวเข้ามาเมื่อจิตมีความสงบตัวเข้ามาแล้วย่อมมีพลังเพราะกระแสท้อมจิตที่สร้างไปในที่ต่างๆนั้นรวมตัวเข้ามาสู่ความรู้บ่วงเดียวคือจิตเมื่อจิตได้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 เรื่องอาุพระอาุพังความปฏิกูลโสโครกในสิ่งทั้งต่างๆในร่างกายของตนทั้งภายนอกภายในหมดทั้งร่างนี้และร่างกายของบุคคลอื่นสัตว์อื่นทั่วแดนโลกธาตุให้เห็นเป็นสภาพเหมือนกันนี้หมดนี่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญายิดเมื่อมีความสงบตัวอิ่งตัวแล้ว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 เมื่อปัญญาได้พิจารณาส่วนร่างกายส่วนต่างๆย่อมจะซึมซาบเข้าไปถึงร่างส่วนทั้งหลายที่มีอยู่ภายในร่างนี้ทั่วถึงกันจะพูดถึงเรื่องอสุภะคือความปฏิกูลโสโครในร่างกายทั้งภายนอกภายในเต็มไป ท, ทั้งร่างนี้ก็เห็นได้ชัดด้วยปัญญา จะแยกออกไปพิจารณาสิ่งภายนอกให้เป็นอัจุภะสุภังเหมือนกันก็เป็นได้เช่นเดียวกันเพราะเป็นสภาพเหมือนกันแต่พิจารณาถึงไตรลักษณ์จะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ตามไม่สําคัญไม่จําเป็นจะต้องพิจารณาทั้งสามไตรลักษณ์ในเวลาเดียวกันเรามีความหนักแน่นมีความสนใจมีความถนัดในไตรลักษณ์ใดจิตย่ยอมสัมผัสสัมพันธ์กับไตรลักษณ์นั้นนำไตรลักษณ์นั้นเข้ามาพิจารณาเทียบเียม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 จิตของเรานี้อยู่ในท่ามกลางแห่งความทุกข์ความทรมานความบีบขั้นบังคับปิดตลอดเวลาทําไมจึงหน่นเดินมันเถึงจึงว่าตัวมีความสุขมันมีความสุขที่ไหนนอกจากมีแต่ลมแต่แล้งหลักธรรมชาติ แ, ตแท้ๆจิตนี้ถูกบีบด้วยอำนาจของกิเลสอันหาพร้อมทั้งผลของมันที่แสดงออกมาให้เป็นความทุกข์ความทรมานใจนมื่อผลิตออกเป็นร่างกายขึ้นมาพราอพืชแห่งอวิชชานั้นมันก็คือก้อนแห่งความทุกข์นี่ เราพิจารณาแยกแยะไปอย่างไรมันก็เป็นทุกไปลายได้ทุกขแขนงทุกแง่ทุกมุมตามแต่ความถนัดใจจนถึงกับเสริมจริงๆภายในจิตใจการพิจารณาเป็นอนัตตาเราจะหาสาระแก่นสารหาสัตวาบุคคลหาเราหาท่านหาของเราของเขาหาที่ไหนมันเป็นสภาพแห่งความจริงอันหนึ่งๆที่ปรากฏตัวอยู่เท่านั้น ทำทั้งสามประเภทคือตรายักษณ์นี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าอาการเหมือนกับข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาของบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นแต่อาศัยร่างกายเป็นนี้เป็นนาคฐาน<ม>ข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาออกจากร่างกายอันนี้นี<ม>่วัตถุหนึ่งหนึ่งอาการหนึ่งหนึ่งนั่นเหมือนกับร่างกายตรายักษณ์ก็อยู่ด้วยกันนั้นทั้งสามเพราะฉะนั้นการพุทธนาตรายักษ์ใด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 ถึงเรื่องอันจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตก็ดีถึงเรื่องข้างเกิดแก่เจ็บตายความสลายพักภาคประการต่างๆมันก็มีสมบูรณ์อยู่ที่ร่างกายและจิตใจของเรานูน <c oughs> คําว่าจิตใจของเหล่านี้มันมีอวิชชาอยู่ในนั้นเราจึงต้องพูดอยดังนี้้ถาบริสุทธิ์แล้วยไม่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่นี้มันไม่บริสุทธิ์ธรรมชาติซึ่งเป็นสมมตินี้มันมีอยู่ภายใจิตใจจึงต้องที่จถึงร่างกายจิตใจ มันเป็นไอ้จังทุกขาาั้นตาตามๆกันไปหมดเพราะแตรลักษณ์มันก็มีอยู่ในใจใจมีสมมติใจมีพืชใจจึงต้องเป็นสมมติใจจึงต้องเป็นไตรลักษณ์ได้เราต้องแยกต้องแย่ให้ถึงเหตุถึงผลถึงหลักถึงฐานขึ้นมาถึงจะปลดเรื่องไปได้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดำเนินอยู่เวลานี้ไม่มีอะไรขาดตับวกพร่อง หรือด้อยกว่าครั้งพุทธการที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านหลายท่านทรงบําเพ็ญและดําเนินกันมามาพูดถึงเรื่องสติปัญญาก็ทรงสอนแบบเดียวกันการพิจารณาสภาวธรรมต่างๆด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนก็ทรงสอนแบบเดียวกันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มีเหมือนกันชาติเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการบํารุงเพื่อความสามารถแก่กล้าปัญญาเพื่อความฉเฉลียวฉลาดเช่นเดียวกัน ทวามขี้เกียจขี้คลานความอ่อนแอความทะเลยทะลายเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเหมือนกันหมดกับครั้งนั้นครั้งนี้ใครมีความขยันหมั่นเพียรใครมีความอุตสาห์พยายาใครเป็นนักไก่ค ร, ครวัวพินิจพิจารณาทั้งทางนอกทางในอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติผู้นั้นจะกล้าไปได้เร็วผิดปกติอยู่มาก ห, หลักการดําเนินให้ดําเนินอ ย, อย่างนี้ แล้วอยากคาดอยาหมายมรรคผลนิพพานว่าจะอยู่ในสถานที่ใดนอกจากจะสนใจฝุดค้นลงในวงแห่งสัศาสนาให้รู้แจ้งเห็นจริงในความจริงทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เป็นเวลาสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วว่าทุกขังอริยสัจจังอืทุกเป็นของจริงสภาพเป็นสภาพแหงความจริงอันหนึ่งสมุทัยอริยสัจจังสมุทัยก็เป็นความจริงอันหนึ่งคือกิเลสนั้นก็เป็นความจริงข้างหมา มรรคคอาอริยสัจจังเครื่องดำเนินเพื่อแก้กิเลสตัญหาอาสวะประเภทต่างๆก็เป็นความจริงอันหนึ่งนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์พระอำนาแห่งมรรคทาหน้าที่โดยส ม, มูลแล้วก็เป็นธรรมของจริงอันหนึ่งให้ขุดค้นลงที่ตรงนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะกีดกันมรรคนิพพานจัดการสถานที่ไม่มีอานาจ กิเลสที่อยู่ภายในจิตใจของเราเป็นธรรมชาติที่กีดกั้นมรรคผลนี้ผานเพราะฉะนั้นจงฟาดฟันกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นสัจธรรมแต่ละอย่างละอย่างนั้นลงที่ดวงใจของเราอันเป็นสถานที่อยู่แห่งกิเลสทั้งหลายนี้ด้วยมรรคคือสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเรื่องของมรรคเอาให้แหลกแตกกระจายลงที่ตรงนี้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 เพราะฉะนั้นจริงต้องแก้กันด้วยสติปัญญามีศรัทธาหรือความเพียรเป็นเครื่องสนับส น, นุนทำให้จริงให้จรงอย่าทำลอยแหละเรามีบกพร่องตรงไหนให้ทราบว่าความบกพร่องนั้นคือกิเลส ย, ยาเข้าใจว่าความบกพร่องนั้นเป็นของดีเป็นอัตเป็นธรรมเช่นความท้อถอ ย, อถอยความอ่อนแอความงวกง่วง คาีเกียจอนแอเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทบริวารของกิเลสทั้งหมดที่คอยกระซิบกระซา์คอยกล่มเราให้พังให้เผอให้เคลิ้มหลับไปทั้งนั่งทั้งที่ทำความเพียรอย่นั้นล้วนแล้งแต่เป็นอุบายวิธีการของกิเลสทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ไหนกิเลสดูที่ใจในขณะที่เรากำลังประกอบความภาคเพียรอย่างนั้นแหละกิเลสก็อยู่ในที่นั่นด้วย ถ้ามีสติสตังตั้งอยู่เมื่อไหร่เรื่องของกิเลส ต, ต่างๆก็ไม่แสดงความรุนแรงขึ้นมามากถ้าจิตแยบออกจากกงแห่งความเพียรเมื่อไหร่แล้วเพิ่งทราบว่ากิเลสทำหน้าที่แทนความเพียรโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นสิ่งสำคัญผู้ปฏิบัติจงสังเกตอาการของจิตที่คิดปรุงแต่งในสิ่งต่างๆ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 มาจีดมาขวางให้สติบัญญาขาดวักขาดตอนผลที่จะพึงได้รับเป็นความสงบยังไม่ค่อยปรากฏเพราะพิเรสมาทำการจิดขวางโดยที่เราไม่รู้สึกตัวอยู่ในขณะที่กำลังประกอบความเพียร น, นั่งสมาธิภาวนาอยางนั่นแหละนะเดินจงกรมก็เหมือนกันถ้าคิดเถอคิดส่งไปไหนแต่อารมณ์อันใดร้อยทั้งร้อยเป็นอารมณ์ของสมุทยัยคือกิเรตทั้งหมด และเราจะหวังเอาผลคือความสงบเ พ, พยียงใจหรือความแยบคายมาจากไหนเมื่อมีแต่กิเลสทําหน้าที่ของตนอยู่บนความเพียรในท่าต่างๆในอิเดียบท่างๆของเราแล้ ว, ลวเราจรึงควรคิดให้มากในสิ่งเหลนี้เราทำของพระพุทธเจ้านั้นเราทราบแล้วและเป็นความความจริงเต็มส่วนอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่เหนือกิเลส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 ปัญญาอุบายแย่พายต่างๆที่จะปลดปลืองสิ่งจอมปลอมคือกิเลสทั้งหลายออกไปนั้นก็ให้เหนื้อกิเลสเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพร้อมมูนไปโดยลําดับเนือกิเลสอยู่โดยลํำดับแล้วกิเลสจะไม่มาทํางานบนเวทีแห่งความเพี่ยนของเราได้เลยส่วนมากมีตั้งแต่กิเลสทํางานอยู่บนเวทีแห่งความเพลี่ยนของเราโดยที่เราไม่รู้สึกเรามีแต่หมายลมหมายแล้ง ไปอย่างนั้นว่าเราทําความเพียรเดินจงกรมได้เท่านั้นชั่วโมงนั่งสมาธิภาวนาได้เท่านั้นชั่วโมงประกอบความเพียรอยู่ในท่าต่างๆได้เท่านั้นชั่วโมงได้เท่านั้นนาทีเป็นแต่เพียงความคาดความหมายความคิดเอาหลมๆแรงแรงหลัลกธรรมชาติแท้เราหาทราบไม่ว่าเวลาเท่านั้นกชั่วโมงเท่าน South ี้ชั่วโมงในท่าในความเพียรท่าต่างๆนั้นมัน้วนแล้วต่างแต่เป็นท่าความเพียร แต่เป็นท่าของกิเลสมาทำงานอยู่ในวงแห่งความเพียรของเราผลจึงไม่ค่อยปรากฏนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะคิดให้มากผู้ต้องการทำให้เหนือกิเลสต้องได้ผิดขึ้นเสมอได้ตั้งสติความเพียรหนุนตัวเองเข้าไปเสมอความอดความทนต้องให้เหนือกิเลสกิเลส จ, จ, จะทำให้อ่อนแอจะทำให้ที่แย่จะทำให้อ่อนเปียกไปหมดความ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 ด้วยความรู้สึกมีสติเป็นเครื่องกำกับการพิจารณาของตนอยู่เสมอนะชื่อว่าเราทำความเพียรอยู่ในวงความเพียรไม่ใช่กิเลสมาทำหน้าที่ของเขาอยู่ในวงความเพียรหรือในบนเวทีความเพียรของเรานี่เป็นหลักใหญ่ที่เราทั้งหลายจะพิจารณาให้ถึงใจผู้ต้องการจะมีความเฉลียวฉลาดเพื่อ <c oughs> ปราบปรากิเลสให้อยู่ในเนื้อมือต้อง ผลิตความเฉลียฉลาดให้ทันกับกลมายาของกิเลสซึ่งมีความแหลมคมมากในโลกกระถางนี้ไม่มีอุบ า, ายใดที่จะแหลมคมยิ่งกว่ากลมายาหรืออุบายของกิเลสซึ่งเคยครองหัวใจสัตว์โลกมาเป็นเวลานานในหัวใจเราก็เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฉลาดเหนือหัวใจเรายิงได้ครองหัวใจเราทีนี้เราพยายามที่จะเอา นำสติปัญญาศรัทธาความเพี่ยนอันเป็นฝ่ายธรรมนี้เข้าไปชะล้างเข้าไปกำจัดเข้าไปปราบปรามเข้าไปทำลายให้สิ่งอย่านั้นสลายหายสูญไปโดยลําดับลําดับจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนั้นเลยเหลือแต่ธรรมรุวนร้วนเป็นธรรมแท้ธรรมบริสุทธิ์ธรรมโดยหลักธรรมชาติเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเรายิ่งรู้เรื่องได้ชัดเจนว่าอ๋อการที่จิ ความเคลื่อนไหวไปมาของกิจแต่และอาการอาการนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องเชิดของกิเลสทั้งหมดกิเลสบูชาหลังแต่นี้พอกิเลสนั้นสิ้นไปแล้วอาการใดแสดงออกก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติของตนขันก็เลยกลายเป็นขันล้วนๆเพราะไม่มีสิ่งมาบังครับนอกจากธรรมซึ่งเป็นเจ้าของธรรมเป็นเจ้าของก็ไม่ได้ยึดขันทั้งห้านี้ว่าเป็นตนเราจริง จะเห็นได้ชัดว่าไม่มีสิ่งใดที่จะก่อควรยุ ห, ห, หรือยุแย่ทําลายบีบคั้นให้รับความทุกข์มากน้อยนอกจากกิเลสเท่านั้นเมื่อกิเลสได้สิ้นลงไปจา ก, กจิตใจแล้วไม่มีอันใดที่จะมาทําลายเลยไม่มีอันใดที่จะมาทํากิตให้กระเพื่อมไปด้วยความขุ่น ม, มัวมั่วสมหรือได้รับความทุกข์ความทรมานนี่แต่ความเป็นอิสระอยู่โดยลําพังตนเองโดยหลักธรรมชาติเป็นอากาลิปจิตอากาลิปกรรม าการสถานที่ไม่ได้เป็นหลักธรรมชาติอยู่นั่นตลอดอนันตากาลเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่สิน้นจากสิ่งกฎขีบ่บังคับกลายมาเป็นจิตอิสระแล้วท่านจึงไม่หมายป่าชา้าไม่หมายการเกิดการตายไม่หมายไม่หมายสถานฐานที่นั่นที่นีสูงๆูงต่ำต่ำพบนั่นชาตินี่อะไรท่านไม่หมายเพราะท่านเจอความจริงความเหมาะสมความพอดี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 ที่เคยหลอกมานานเป็นอันว่าหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงหรือแต่หลักธรรมชาติล้วนวนนั่นแหละพระชินาศท่านทั้งหลายท่านเป็นอย่างนั้นเวลาธาตุขันฉลาลงไปก็เป็นเรื่องของธาตุของขันฉลาตัวลงไปโดยที่ท่านทราบไม่รอบไม่รอบครอบหมดแล้วทราบไม่ตลอดทั่วถึงแล้วตั้งแต่ตรัสรู้แล้วน ون, บนบรรลุธรรมแล้วนน เมื่อถึงการเขาจะทําหน้าที่ตามความสัตย์จริงที่ได้ทราบไว้แล้วก็จะมีปัญหาอะไรปล่อยลงไปตามสาภาพแห่งความสลายเพราะมาจากสิ่งผสมเมื่อผสมกันแล้วก็ต้องสลายจากความผสมนั้นลงไปสู่ธาตุเดินข้องต้นเจตผู้ไม่มีความบกพร่องต้องการสิ่งใดบรรดาสมมุติที่อยู่ในโลกแม้แต่ขันใดขันหนึ่งเป็นต้นย่อมเป็นจิตที่หายห่วงหายกังวลอนานาลอยู่ ดูด้วยความพอตัวไม่ต้องพึ่งพิ ง, พงอิงอาศัยอะไรอีกแล้วเพราะทั้งหมดนั้นเป็นสมมุติทั้งหมดจิตนี้เป็นนิมุติหลุดพ้นแล้วยังไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ข้องแวะกับบรรดาสมมติใด า, ดาทั้งสิน้นเพราะได้รู้แจ้อองแทงตลอดหมดแล้วนี่คือผลแห่งการปฏิบัติทางด้านจิตตะภาวนาของผู้มีความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะ ไม่คาดไม่หมายถึงเรื่องพบเรื่องชันว่าจะเกิดในสถานที่ใดพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วหรือไม่นานเพียงไรจะไม่ไปยุ่งนอกจากทํางานอยู่ในวงสัตจธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วอันเป็นธรรมของจริงแท้ของจริงของแท้สี่อยา่างทบดับไปแล้วเพราะสมุทัยดับไปด้วยอํานาจของมรรคมีสติปัญญาเป็นสําคัญ นิโรธเป็นกิริยาอันหนึ่งแห่งความดับทุกข์เท่านั้นผู้ที่รู้ว่าทุกข์สมุทยัยหรนิโรธทํางานสําเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วนั้นคือผู้บริสุทธิ์ผู้นี้ไม่ใช่สัจธรรมเป็นธรรมชาติที่เหนือสัจธรรมนี้โดยประการทั้งปวงเพราะสัจธรรมทั้งสีนี้ยังเป็นสมมุติมาก ค, คือศีลสมาธิปัญญาก็เป็นสมมุติแต่เป็นสมมุติฝ่ายแก้เป็นสมมตฝิฝ่ายปราบปรามสิ่งที่เป็นค่าสึกคือสมุทยัยนิโรธก็เป็นสมมุติ ผู้ที่รู้ว่าทุกสงูไทยนี้โรทมากทำงานเสร็จโดยสมบูรณ์แล้วนั้นคือคือจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่พูดนี้แหละผู้หมดปัญหาหมดลงที่จิตใจไม่หมดดูที่ไหนนะหมดอยู่ที่จิตใจนี้เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นต้องพยายามทอดถอนหรือถอนปรากรามสิ่งที่เป็นข้าศึก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 ความกังวลและเป็นค่าสิกตองานอันสำคัญนี้อีกด้วยจึงไม่ควรกังวลกับงานใดเฉพาะอย่างยิ่งในปรรษาสำสนับวัดป่ามันตากนี้ได้เปิดโอกาสให้หมู่คณะประกอบความภาคเปียนเป็นทัศติกำลังความสามารถของตนโดยไม่มีงานใดเข้ามายุ่งแม้แต่เวลาอื่นๆเราก็ระมัดระวังมากงานยาอันจะมาทาลายงานละเอียดเช่นมากยากเขียนมสมากรรตางานยา จะมาทำลายสัมมาการตะอันเป็นงานละเอียดงานละเอียดคืองานประกอบความเพียรเพื่อชำระกิเลสงานนอกนั้นจัดนั้นทำนี้ยุ่งไปหมดนั้ น, น, นเป็นงานกางนังวลเราจริงไม่ให้มีถ้าไม่จาเป็นที่ต้องมีจริงๆเพราะงานนี้เป็นงานสาระสำคัญแก่เรามากทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านได้หลุดพ้นจากทุกเพราะงานนี้ผลของงานนี้คือความหลุดพ้นของพระพุทธเจ้า ผลของงานนี้คือความหุดพ้นของสาวกทั้งหลายท่านงานนี้หมายถึงงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาถือเกสาโรมาณัขาทันตาแตจูและอาการสามิสองเป็นงานอันสําคัญพินิพิจรณาคขี่คลายให้เห็นตามหลักความจริงทุกสัตว์ทุกส่วนแต่แยกทางเป็นอสุภเป็นทางอสุภะอสุภังก็รอบทิศรอบด่านไม่สงสัยและแยกเป็นอนิจจังทุกขังนันตาในขันทั้งห้านี้เต็ม อยู่แล้วด้วยอนิจจังทุกขังนาตาเป็นของกิ่งร่วนๆเป็นตรรัสรุนรวนอยู่แล้วนอกจากปัญญาไม่เกิดหรือปัญญาเซื่ออยู่เท่านั้นจึงไม่มองเห็นความจริงที่มีอยู่เมื่อปัญญาได้ผิดตัวขึ้นมาสมควรที่จะทราบความจริงที่มีอยู่แล้วทําไมจะไม่ทราบได้ต้องทราบได้โดยสมบูรณ์ไม่ต้องสงสัยเมื่อทราบอ น, นิจจังทุกขังนาตาทั้งธาตุทั้งขันทั้งสิ่งที่สิงแทรกสิงอยู่ภายในจิตหรือซึมทราบอยู่ภายในจิตฟังจนอยู่ภายในจิต ว่าเป็นไอน้จังทุกขังหน้าตาด้วยกันแล้วเป็นสิ่งที่จะควรสนัดปัดทิ้งโดยประการทั้งปวงด้วยกันแล้วย่อมสิ่งเหล่านี้ย่อมจัดสลายลงไปด้วยอำนาตของปัญญาเช่นเดียวกันหมดจึงขอให้ท่านทลายมีความมั่นใจต่อการประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานของตนอันเป็นความเหมาะสมแล้วนี้ให้มีความเจริญด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของตนอา่าละลดละถือว่านี้เป็นที่พึ่งของเราแท้นอกนั้นไม่ใช่ที่พึ่ง แม้แต่ร่างกายยังพึ่งมันไม่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งมันรบกวนเราขนาดไหน <c oughs> เห็นไหมเราไม่สังเกตบ้างเหรอเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหายเดี๋ยวเจ็บนั้นปวดนี่รบกวนตลอดเวลาทั้งหลับทั้งนอนทั้งกินทั้งขับทั้งถ่ายทุ่น แ, แต่เป็นการรบกวนของป้าของขันถ้าสติปัญญามีอยู่แล้วจะทราบความสัมผัสสัมพันธ์อย่างการรบกวนนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วไหนจะมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราพอจะภาคภูมิใจกับถ่งอย่างนี้นอกจากกิต ที่จะถอนตัวออกจากความห่วงใยหัพวพันนี้โดยบริสุทธิ์พุทธโธและเป็นเอกสิทธิเป็นอิสระเสรีภายในตนเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่เราจะเป็นที่มั่นใจมีเท่านี้เป็นหลักแห่งความมั่นใจของเราขอให้ท่านทั้งหลายมีความตั้งอกตั้งใจการแสดงธรรมก็ อ, อยุดเพียงแค่นี้